คำลงท้ายรักข่หฮะขาขัดกลาวจิตให้นุ่มนวลอ่อนโยนลงระดับจิตวัดจักคําที่ออกมาจากจิตคําลงท้ายคําเดียวที่เกิดมาจากร้อยคําอื่นๆ อ, อาจยกจิตให้สูงขึ้นหรือทุ่มจิตให้ต่ำลงแตกต่างกันได้หลายชั้นหลายขุมสัญชาติยานดั้งเดิมของคนเรา ต้องการสื่อสารตรงๆคำลงท้ายครับค่ะฮะขาเป็นส่วนเกินไม่ใช่สัญชาตญาณเดิมเติมเข้ามาเพื่อขัดกล่าวจิตให้นุ่มนวลอ่อนโยนลงยุคเรามักอ้างว่าคำหยาบสื่อจิตได้ตรงตรงดีประมาณว่าจิตใจไม่เส่แส้งดีกว่าปากหวานกลนเปรี้ยวข้อเท็จจริงคือ ภาษามึงมาพาววยที่ใช้กับเพื่อนบ่งบอกว่าจิตเชื่อมติดสนิทชิดเชือ้ออันนั้นโยกไว้ไม่ได้แปลว่าจิตต่ำเสมอไปแต่ภาษามึงมาพาววยวะวยแม่งเอ้ยที่ใช้กับพ่อแม่หรือคนแปลกหน้านั้นบงบอกว่าจิตผูกติดอยู่กับสัญชตาตญาณดิบแน่นเหนียวยังไม่ถูกยกขึ้นสูงยังไม่สูงงอมเป็นกุศลและเมื่อจิตดิบ ผลิตถ้อยคำอกุศลกับใครต่อใครจนชินความเกรงใจย่อมน้อยความเห็นแก่ตัวย่อมมากพร้อมจะลงมือทำอะไรแบบไม่เห็นหัวใครไม่สนหัวงอกหัวดำได้เสมอบางทีตายแล้วเกิดใหม่จะได้เป็นคนป่าหรือคนเมืองก็ตัดสินจากเวจีกรรมคำลงท้ายที่มีกับผู้หลักผู้ใหญ่จนชินนี่เองคาที่ชินคือภาษาของจิตคือระดับจิต แม้แต่คำขึ้นต้นคำลงท้ายก็แทบชี้ขาดได้เลยว่าจิตลูกพร้อมจะเป็นจิตเทพหรือจิตปีศาจในการหน้าเด็กที่ไม่ถูกสอนให้ใช้คำลงท้ายดีๆกับผู้ใหญ่จะโตขึ้นมาเป็นเด็กไม่มีสัมมาคาระวะยิ่งแข็งกระด้างมากยิ่งตัดยากเป็นเงาตามตัวพ่อแม่บางคนที่เลี้ยงปล่อยๆขี้เกียจง้างปากลูกมักต้องสะดุ้งด้วยความแปลกใจ เมื่อลูกโตขึ้นกลายเป็นคนป่าเถื่อนกระโชคฮกห่ากับพ่อแม่ใช้คำเร็วๆกับพ่อแม่แบบที่พ่อแม่ได้ยินแล้วเกิดปฏิกิริยาหยาบๆกลับหยาบคายสนกันไปหยาบคายสนกันมาเพื่อจะเลี้ยงลูกแบบพุทธต้องขยันกล่องกลาวจิตลูกให้อ่อนโยนด้วยการเป็นแบบอย่างความอ่อนโยนกาเกณฑ์ให้ลูกพูดคาสุภาพ ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลสม่ำเสมอและเขาจะโตขึ้นในกรอบของการคิดดีอยากพูดดีได้ด้วยใจจริงแต่หากเลี้ยงลูกแบบไม่คิดอะไรมากแค่นึกอยากฟังลูกพูดเพราะๆกับตัวเองโดยไม่สนใจว่าตัวเองพูดจาไม่น่าฟังกับลูกอย่างไรบังคับให้ลูกอ่อนโยนกับตนด้วยเสียงสั่งกระด้างประมาณว่าไอ้เวนห้ามพูดหมาๆอย่างนี้กับกู มึงหยาบคายแบบเนี้ยกูไม่เลี้ยงนะไอ้หา่าเช่นนี้จิตลูกจะเหมือนสัตว์ร้ายในโครงขังข้างในแอบเกิดปฏิกิริยาร้ายๆแอบคิดไร้ายๆแต่ข้างนอกปากจำต้องอา้าสุยๆเปล่งคำดีๆกลายเป็นต้นเหตุเป็นที่มาให้ปากกับใจไม่ตรงกันปากหวานกับใครตัวใครแต่ใจคิดคดพร้อมทรยศผู้มีพระคุณได้